พิจารณาความตายนี้จะพิจารณาอย่างใหญ่ๆประเภ น, นั้นอีกเรานั่งอยู่แบบนี้อย่างนี้เหมือนกันพิจารณาเรื่องเรื่องความตายอันนี้เป็นของร่างกายวิเศษของเราเราทอดทรับถอยอย่างว่าเราตายแล้วก็ทิ้งเวลาที้สมมติเราตายเราคิดอย่างนเราไม่มีอะไรลมหายใจเราไม่มีเราตายพิจารณาอย่างนี้ ถ้าหากว่าใจของเรามันชัดเจนจะปล่อยวางเรื่องศิลปะทนคนตายนี่ยต้องทอดทุลักเจียงค่อยตายเราแสดงเห็นง่ายๆภายนอกอะไรได้บ้าไม่เอาเาืงนั้นมันจะค่อยตายเนีราแสดงเห็นเห็นอะไรแสดงเห็นชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราสมมติว่าเราตายมีอะไรบ้างทิ้งหม เมื่อทิ้งของภาย น, นอกที่เป็นวัตถุหรืออะไรบางบทที่ปราดกฏเราทิ้งหมดแล้วเราจะมีอะไรเป็นเครื่องไปมีอะไรเป็นเครื่องอยูก็ดังอธิบายฟังมาแล้วถึง น, นอกจากความดีแล้วฉะนั้นเราจึงตั้งใจพยายามรักษาความดีคือความสงหมชจไหความดีอะไรสู้ความไม่ได้ความสงบในเป็นของส่วนตัวโดวยเฉพาะ เป็นสิ่งที่ไม่สาอะอย่างยิ่งเราจึงต้องขอทอดทุราว่าเราตายแล้วก็จิมันก็สงบได้คิดว่าเวลาเวลานี้เราตายแล้วมันก็ทอดทุราปล่อยวางก็ยังเหลือได้ความสงบคนเรากลัวแสนกลัวเช่นไปเชิญกับภัยอันตรายต่างๆกลัวที่สุดกลัวตายเมื่อไปเชิญต่อหน้ากันจริงๆจังๆแล้วนั้น ไม่มีทางไปเท้งเลยจนตายและหายความกลัวถ้าห่างยอมสละเลยแล้วหายกลัวเพ่กลัวตายเลยแต่ว่านั่นเป็นธรรมดาทั่วๆไปไม่มีล่ะหายและกัเลยไม่จัดใจไป ย, ยึดเอาตรงไหนเป็นหลักครานี้วิธีเพราะนางเราก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน คือเราหยอนสลาแล้วอารมณ์ต่างๆมัก็ทอดปล่อยวางไม่เข้าไปยึดเกี่ยวแต่เรายังมีหลักคือเราจะต้องถึงความสงบรักษาความสงบไว้มั่นคงต่อไปต้องมีหลักอย่างนี้มีวิธีอุบายสำหรับภาวนาพิจารณาถึงควมตายโดยวิธีอย่างนี้ เพงจะเข้าถึงความสงบได้เอาเอาละเอาไว้นานๆเนะียมันจะชักจะลืมาะธีบายก็ทำเลยเวลาเรานั่งมันจำเป็นจัต้งมีสิ่งมาลบกวนเราจะต้องต่อสู้โดยเฉพาะก็คือยุงบางความเหน็บเมื่อยบาง สารพัดทุกอย่างของภายนอกนอกจากนั้นอีกทั้งของภายในละเอียดเข้าไปของภายในกนั้นก็คือว่าใจเพราะใจมันเราตั้งใจจะทําความสงบเท่านั้นคล้ายกับมันวุ่นมันยุ่งมากยิ่งกว่าที่เราไม่ได้ทาความสงบงเลยๆแค่เพียงกล่าลวในเวลาที่เราตั้งใจทำความสงบคือเรามองดูเข้าไปหาใจ ก็เลยเห็นเรื่องของใจเลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากไหมความจริงไม่ใช่มากเราตจงทันเราเห็นมันแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นเมื่อเราไม่ได้ทำความสงบคือเราไม่ได้ภาวนามันเที่ยวว่อนไปทั้งในทั้งในแล้วก็ไม่รู้เรื่องครั้งนี้เราไม่เห็นนีลยครั้นี้ก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับเป็นของมากที่จริงเปล่ามันน้อยลงไปแล้ว จึงอย่าพากันไปกลัวแล้วิตกกว่าจะชำระมันไม่ได้สิ่งที่เราไม่เห็นนะชำระไม่ได้เมื่อเราเห็นเราชำระได้มีอุบายและมีนทานที่จะชำระได้ของไม่เห็นจะไปชำระเนินรางให้มันสะอาดได้อย่างไรใจของเราเมื่อแทรกนึ่นเราเนะไปทำกลมสงบนึ้นไม่เห็นเลยไม่ทาบไปถึงไหนทั้งไนไปอยู่ไหนก็ไม่ทร เวลามาทําความวน่อยมันเห็นเนียครับนี่จงึงว่ามันลอยเข้ามาไม่ยั ง, งมากเมื่อมันเห็นนั่นแหละจะเป็นเดือดร้อนเสียใจว่าโอ้โหมันมากเกินและเกินทำไมจะทําไหม่ย่าไาเปเดือดร้อนเสียใจอย่างนั้นขอให้ทําความดีใจว่า อ, อ๋อเราเห็นเวลานี้เรารู้ว่าเราเห็นตัวมันแล้เพราะฉะนั้น เราจะต้องต่อสู้โดยวิธีที่ว่าเนี่แหละมันมีหลายอย่างเลยวิธีต่อสู้ต่อสู้อย่างหนึ่งที่มันคิดวุ่นวายไปมากมายไม่มียุดไม่ยังเพี่นะถึงความตายอธิบายวัามันก็เรียกว่าวิธีต่อสู้วิธีอย่างที่ว่าตะ ก, กี้เนี่ยวิธีทําต่อสู้โดยการที่นิ่มนวลไม่แข็งคือว่าทําความสบาย ลอยวางทอดทระอารมณ์มันสบายสบายทำความพอใจในการที่เราเห็นใจของเราแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสบายสบายลงไปพอจิตพอใจมันสบายมันก็ไม่ส่งมันก็สงบให้จับตัวผู้ส่ง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 นึกพุทโธพุทโธหรือพี่หรือพิจารณาลมหายใจก็ออกหรือพิจารณาความตายให้จิตแจใจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวนั้นก็ลักษณะเดียวกันนี้ถ้าเราจับได้อย่างอธิบายตะกี้นี้แล้วเราไม่ต้องมีปริกมก็ใช้ได้เหมือนกันมีหลายเรื่องที่จะต้องต่อสู้ไปจดโดยเฉพาะคือว่าจิตของเราไม่ได้เคยไปจดต่อสู้มีแต่มันขนาบขนาบยึดล่าไป เรายอมแพ้อยู่ตลอดทุกเมื่อเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้จึงใช้อบายหลายอย่างหลายประการด้อธิบายมาดัางนั้นในเมื่อมันอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปทอ้อถอยและก็อย่าไปเดือดร้อนขอให้ทำคมขอให้ใจเราได้เห็นได้รู้เป็นของดีแล้วเราจะต้องมองดูว่ามันชัดลักษณะการอย่างนี่ ที่มันวุ่นมันวายและที่มันสงบมันเป็นยังไงจับจ้องมองตัวนะั้นมันชัดเอาใจมือแล้วก็ตรงกลางใจเรียกว่าใจมันใจคนก็ชี้มาที่ทำกลางดาวอะไรก็ตาม้วยถ้าเป็นใจแล้วตรงตรงกลางใจไห้ใจอะไรก็ตามต้องชี้ตรงกลา ง, ง, ง, งอันนี้แหละลักษณะของใจ คนลอยยังมาแต่งนั้นใจเก่งมาู้จากตรงกลางผู้ที่ท่านชุดฝนอบรมแล้วคืออบรมใจให้อยู่ในบังคับของตนไม่จิตส่งใจไม่จิตวุ่นวายส่งหน้าตรงหลังจะเห็นใจเป็นกลางชัดเจนขึ้นมาทีเดียวไม่มีนอกมีไหนไม่มีไปมีมาไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่อยู่นอกกายไม่อยู่ในกายไม่อยู่เหนืออยู่ต่ํา แม่หยดสูงอยู่ต่าําเด็กใจน่าจะเป็นอันหนึ่งของมันอยู่กล า, า, างกลางกลางนั่นคนะือผู้พิพากอบรมแล้วจะเห็นใจชัดจะทมาอธิบายเนธิบายเข้าหลักท่านหนละ่ะเพื่อให้เข้าใจว่าใจสุดของกลางจะรู้ได้อย่างไงถ้าหากเราอยากจะรู้นขณนะนี้เราจะรู้ได้ใจของเราเรากั้นลมหายใจสักห้ก ไม่มีคิดหน้าคิดหลังสมโนธตรงนี้ไม่มีแต่ ร, รู้รู้ว่าเรารู้อยู่ว่าเรารู้ปะไรตัวอะไรตไแต่ไม่คิดไม่ทราบรู้อะไรจะมารู้ตัวของมันเองลักษณะของใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็อยู่ไหมได้เพราะอากาศลมเพราะกานใจมันก็เลยไม่สมมันก็อยู่นิ่ง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 เพะอะไรสิ่งที่วุ่นยุ่มดทั้งโลกทั้งโลกนี่แหละที่วุ่นที่สงสายเดือดร้อนในทุกอย่างทุกประการที่เราเห็นเห็ น, ห, น, ห, นหรือทํานึกคิดได้ทัว่วทุกมุมโลกเลยนะก็เจ้าหนาที่ของใจแท้แม้แต่ตัวของเราคนเดียวคิดดีคิดชั่วคิดหยาบคิละเอียดเป็นสุขเป็นทุกข์เดือดร้อนในประการาต่างๆหรือว่าในแต่ตัวใจ่ เห็นนั้นถ้าหากจะเห็นตัวใจจะเห็นอาการของใจละคานี้รู้เรื่องอาการของใจน่ะความรู้ใจนั่นะเรียกว่าปัญญารู้ใจโดยตนเองนี่หลเรียกว่าวิชารู้ใจโดยตนเองนี่เรียกว่าความสว่างเกิดขึ้นที่ใจรู้อันนี้เรียกว่ารู้โดยตนเอง รู้ว่ามีตำราเป็นปัจจัต่างธรรมคำสองปราจะเรียกว่าเห็นด้วยตนเองปัจจัต่างเวทิตโพวิญโยหิตวิญโยชนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิญโยชนไม่ใช่วิราชนอันนี้เป็นวิวิญโยชนวิญโยชนนี่คือผู้ที่อบรมใจของตนเข้าถึงตรงนั้นแล้วเกิดความรู้ใจของตนอาการใจขงตนด้วยประการต่างๆ เรียกว่าวินอยู่ชนรู้โดยเฉพาะตนพู้ในคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยกี้เลดพันหาดมหาร้อยแส น, นเรื่องสารพัดตัางฟวงมด mm. จะปรากฏในที่นั้นเลย mm. หรือจะพูดอีกไหนหนึ่งก็พอมาเปรียบ mm. เหมือนกับประตูเมืองสมัยโบราณ ถ้ามีประตูเข่าประตูออกมีนายประตูเรียกว่านายทวาวรสมัยนี้เรียกว่านายด่ า, ดานตรวจคนออกคนเขา่าต้องดูบัตรประชาชนใครใครมาจากไหนรู้มดนายด่านเป็นคนรู้เลยเราอบรมใจแล้วนั่นใจสงบแล้วอาการที่มันออกจากใจนั่นเรารู้นั่นก็เหมือนกับนายด่านตรวจคนออกคนเขา่า ไม่ต้องมีตำราที่เราเรียนรู้ตำรา ต, ต่างๆนั้นอันนั้นเป็นความรู้ของคนอื่นคนอื่นสอนเราคนอื่นที่สอนเรานั่นก็คือตำราที่เขาได้มาจากวิญญาณชนนั่นเองคนที่รู้ด้วยตนเองชัดเจนแล้วเขามาเขียนตำราขึ้นมาแล้วก็เอามาสอนสือเนื่องกันมาโดยลำพังแล้วก็ได้เรียนจากตำรา จำได้แต่มันไม่ชัดภายในเนี่ยลืมเป็นไปไปหน่อยอำเภอลืมเนี่ยอันนี้ยังไม่ฉันไม่ไม่ได้เรียกว่าวินยูชนเรียกว่าปัญญาชนปัญญาคือความรู้ในทางวิทยศาสนาันี่ยไม่ฉันไม่ได้เรียกว่าปัญญาอีกสัมเรียกว่าสัญญาคือความจับจากคนอื่นจดจาจากตำลับตำรา ยังไม่ได้เรียกว่าปัญญาอีกสปัญญาคือความรู้รอบวิชาคือความรู้แจ้งความรู้รอบเพือรอบอะไรถ้าหากเกิดขึ้นที่ใจดังที่ว่านี้เนะี่ยเป็นมิจฉุชนอะไรเกิดขึ้นเช่นความโกรธมันจะโกรธใครคนในคนหนึ่งขึ้นมามันไม่พอใจมันเห็นชัดขึ้นมาภายในเลยมันพุ่งออกมา คือว่ามันพุ่งออกมามันแสดงความไม่พอใจในคนนั้นแหละในคนที่เราโกรธเห็นชัดด้วยตนเองความโกรธอันนี้น่ะร้ากโกลุ่มขึ้นมาด้ยตนเองคือเห็นรอบตัวตัวของเรานี่ยเรารู้ตัวของเราเองเรียกว่ารอบตัวรอบด้านไม่ใช่คนอื่นบอกกล่าวอย่างคนอื่นบอกกล่าวความโกรธต้องไปยังไงแสดงอาการยังไ น, นเรียกว่าความโกรธ น้าบึง่งหน้าเบี้ยว้ารพัดทุกอย่างแสดงปฏิกิริยาอย่างงงมอันนั้นมันเป็นคนอื่นบอกถ้าหากว่ารู้ด้วยตนเองนะมันไม่ถึงกับแสดงหน้าตาลักษณะอาการออกมามันปรากฏชัดขึ้นที่ใจเลยทีเดียวอันนั้นเรียกว่าปัญญาที่จาไปจำคนอื่นพูดให้ฟังเรียกว่าสัญญาในทางหลักพุทธศาสนาวิ ช, ชาคือรู้แจ้ง ไปจกักได้ตนเองไม่ลืมไม่ลืมเลยผมรู้นะชัดได้ตนเองใครจะพูดว่าไม่ใช่ของไม่ดีไอใครจะพูดว่าของดีแล้วของไม่ดีไม่เชื่ออะไรหเห็นไดตนเองความดีที่ตดนทำแล้วไม่ดีที่ตดนทำรู้ด้วยตนเองคนอื่นไม่ต้องบอกเพียงว่าแจ้งชัดถ้ารู้ชัดรู้แจ้งรู้รอบอย่างนี้แล้วใครจะไปกล้าทางความชั่ว เว้นไว้จะแต่ว่าคนนั่นจะยังเสียดายความชั่วอยู่คือยังไม่ยอมทิ้งความชั่วนี่พูดถึงเรื่องความรู้ใจจักใจได้จะมีความรู้อย่างนี้จะได้ความรู้กว้างขวางอย่างนี้จะเป็นเครื่องถอนรากของความชั่วและมูลกิเลสทั้งสองย่างามมดได้อย่างนี้พูดถึงเรื่องใจใก่อนนะ้ร นี่วิธีที่จะฝึกขนอารมณ์ใจแล้วนี่พูดอีกนัยหนึ่งว่าความคิดความอ่านความสงสัยวุ่นวายเรียกว่าอาการของใจมีหลายเรื่องอาการของใจจิตคือผู้คิดผู้นึกสัญญาคือความจำสังฐานคือความกรุงความแต่งวิญญาณคือความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมาณะตาปฏิทุอย่าง เกิดไม่จากใจคือมันไม่เป็นปกกลางอะไรอย่างเขาเรียกมันออกจากอันกลางซึ่งเรียกว่าอาการของใจมีมากครั้ น, นี้เราจะตัดทอนหมูลนั้นแหละให้มันหมดออกไปออกไปถ้ามยังเหลือเด็กใจเรียกวบวิธีอบรมผลเครื่องกรรมฐานอบรมใจงานของใจใจเป็นของมีมตัว แต่เห็นได้ตนเองแต่เห็นได้ตนเองก็รักษาได้ยากที่สุดยากที่จะรักษาได้คุณลิเศษในการที่รักษาใจในทางพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้เยอะอัตตาดันเตสุตตเทนะใจของเราเนี่ยมันเป็นของรักษาได้ดกวย่างพึกฝนในทุนกอย่างอัตตาขาเวชิตตังเซโย ผู้เด่นชนะใจเป็นผู้ชนะใจของตนเกิยได้แล้วอัตตาหาเอกจิต่างเฉยเป็นของประเสริอเราจะพิจารณาถึงเรื่องความตายเห็นว่าตัวของเราเนี่ต้องตายเพ่งพิจารณาความตายกันเลียวแต่เลี้ยใดก็ตามมันมีหลายเรื่องบางคนก็พิจารณาลมห้ใจทุกอย่างล่ะเรื่องอะไรใดก็ตามเถอะเป้าหมายนั้นเรียวเป้าหมายคือปริกรรมเรียวกรรมฐานให้มัน ไปจดจออ่อเฉพาะเรื่องเดียวนะให้มันกระทบอยู่นั่นเสมอถ้ามันกระทบอยู่นั่นอะ่ะเราไม่ต้องไปกดเราไม่ต้องไปบังคับมันแต่ว่าให้มันมันกระทบอยู่ตรงนั้นเราจะต้องทําความรู้สึกโดยเฉพาะในเรื่องนั้นถ้ามันหนีจากนั้นแล้วกรู้มันไม่อยู่แล้วก็ดึงมันมาอีกทีแรกมันต้องอยากหน่อยใจของเราอะเหมือนเหมือนกับซัดป่าถึงว่านี้ง เราไม่เคยฟื้นฝนอหลง ม, มันก็ต้องดือ้อยู่บ่างดึงม้าก็วิ่งหนีเด้นม้าก็วิ่งหนีแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยรัดป่าเขามาใช้ได้เขามาฝึกนฝนอหลงแล้วใช้ได้มีค่าราคาสุางใจขเราถ้าฝึกนฝนยังไม่ทําได้ก็ยังมีมค่าราคาเท่าที่ควรจึงว่าเป็นการจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะฟื้นฝนใจของเต้นจากอธิบายในเบื้องต้น เมื่อเราให้มันกระทบอยู่ในสิ่งเดียวเรื่องอันอื่นมันก็หายไปใจเป็นของันเดียวเลยจะไปเข้าใจว่าใจมากเลยที่ ม, มากๆอาการของใจดรกมันเร็วใจมันเร็วที่สุดจับไม่ทันหรอกท่านอุปมาเปรียบเทียบไปเร็วที่สุดเหมือนกับมีตัวแมลงอะเรนจับอยู่ที่หน้าทั้งเล็ว ค้อนตีตัวแมลงนะที่มันอยู่หน้าทั้งนะตีทั้งแรงเลยเสียงตัวแมลงนั้นดังแตกกับอันเสียงค้อนกระทบหน้าทั้งอันใดที่เร็วจะช่าก่อนกันท่านดูว่ามาเปรียกไวหวไหมความเร็วของใจนะัขนาดนั้นัใจนะมันเพราะว่าเราเข้าใจว่าใจมันมีมากใจไม่มากหรอกใจเดียวเมื่อเรา ไอเพ่งพิจารณากรรมาฐานอย่างพุโทโธพุธโทโธหัวใจมันแน่วอย่างนั้นเรากำหนดให้รู้สึกว่ามันอยู่ที่พุโทโธแห่งเดียวมันออกไปสองไปสามก็ไม่เอาให้มอยู่หน้าอเดียวแล้วเพ่งกำหนดอยู่อย่างนี้ทําความรู้สึกหรือว่าเพ่งก็เรียกหรือว่าทําความรู้สึกก็ได้รู้สึกกินในอารมณ์เดีย ว, น, ยวนี่แหละเรียกว่า สมาธิเรียกว่าการงานของใจเรียกว่ากรรมาฐานเมื่อเราแพ้งเมื่อเราทำความรู้สึกยะีะขอนั้นอารมณ์อื่นมันหายไปหมดมันยังเหลืออันเดียวในภาษาธัรมท่านัา้นเองกักตาลมคืออารมณ์เดียวในเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้น มันมีพลังเพียงพอสามารถที่จะวางสิ่งอื่นได้หมดเด็ดขาดแล้วกันมันจะรวมวุบเข้าไปเลยเข้าไปถึงใจที่ว่ามาในเบื้องต้นอันเดียวจริงๆเป็นของกลางจริงๆเนั่นหละเราจึงจะรู้จักว่าใจคือของกลางเราฝึกฝนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ใช่มันจะได้ทุกขณะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อย่าท้อถอ ย, ถ, อยถึงจะไม่เข้าถึงขนาดนั่นก็ช่างเบื้องต้นเราจะต้องอบรมอย่างที่ว่ามาเนี่ยทําจิตเนีก็อ้ให้มันทําความรู้สึกรอย่าพอนอาลงมันเดียวเราจะต้องจ้องดูว่ามันอยู่ตลอดทุกขณะเอาแค่นี้ก็อเถอะก่อนแล้วก็อย่าไปอยากให้เห็นและอยากให้รู้ หรืออยากให้เป็นทิ้งไปก่อนมันเป็นสองเป็สามไปแล้วนอะไม่ต้องอยากเราจ้องดูเฉพาะอารมณ์อันเดียวนั้นอันเดียวจริงจริงถ้าอย่างเป็นสองเป็สามไปแล้วเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขารู้ว่าอย่างนั้นเขาเห็นอย่างนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างเขาหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นอย่างนี้นไม่ได้มันเป็นสองเป็นสามไปแล้วแทนที่จะเป็นอารมณ์อันเดียวหรือกลับเป็นอารมณ์มากขึ้น แต่มาอธิบายคืออธิบายประภานเวน์ปัจจุบเรื่องตัวนี้โบราณท่านวัดตายก่อนเกิดคือว่ายังนีมาท่านเกิดตายแล้วยังนไม่ได้เห็นอะไรอยากเห็นแล้วยังไม่ได้เป็นอะไรไม่ควรที่จะถึงไม่ท่านถึงนั้นเลยเลยยังให้มาถึงก่อนเราทําตัวของเรายังนมาท่านถึงขั้นนั้นมันจะไปรู้ไปเห็นได้ง่ายอเ่ะขอไม่เห็นตัวใจได้ก่อ น, นสิ รู้จิตใจอย่างที่ว่า น, นี่สักพัทีศรักษาใจที่ว่านี่มันได้สักพัทีศสิ่งอะไร น, นันค่อยเป็นมาตามหลังเนาะถ้าเราไมอยากเป็นก่อนยังมาทันได้หลังฐานมันคเลย อ, อยากจะได้ผลมัาถึงแล้วต้นไม้แล้วปลูกเพิ่งปลูกอยากกินลูกกินผลมันปรเดี๋ยวกรดาวมันก็แย่ตีแป๊บมันจะเป็นไปได้หรือ เมื่อมันม่ได้กันเลยขี้เกียจแล้วกันะะนี่โอต้นไม้ตะ น, นนี้ปลูกมันก็ไม่ได้กินลูป ก, กินผลอยากกินวันสองวันมันไม่ได้กินหรอกอเดียไปปลูกใหม่เห็นเขาสวงเขาโน่งเขาดกแหนมันดกของถาองเขางเราไม่ดีกันางดินของเราไม่ดีกันบ้งแล้วต้นพันของเราไม่ดีกันบ้งหรือเขาทำไม่ดีกันบ้างอยาไปปลูกอย่างต้นขเขาอย่างสวนเขาโนค้ไดไะ้ไปย้ายมา ป, ปลูกมันแต่ยังไม่คืนอีก เห็นเขาเป็นนอยากยาคุณเอไปย้ายไูกที่อื่นนึกส่วนเขาอื่นนึกย้า ย, ะยะายายามอาจจะตายคนเราเมื่อทําอะไรไม่จริงไม่จังเมื่อไม่เห็นผลเกยขี้เกียจก็ไม่จะได้รับผลไม่ใช่ ง, ง่ายๆครับลูกมาตั้งหกปีเจ็ปีก็่าจะได้รับผลมันเรานี่ยปรเดี๋ยวประเด้าอย่างเอาอย่างได้ผลมาแล้วไม่ได้แบบนั้นคำมาฐานเท่ากับการงานนี่ไม่รับฐ า, า, านอย่างเดียวกับมาฐานการงานให้มั่นคง คือเราทำใจให้มันแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างอธิบายมานี้ให้มันมั่นคงหนักแน่นลงไปอย่างลากแล้มันลึกมั่นคงลงไปเสียก่อนผลมันค่อยเกิดขึ้นเองหรอกมีวิธีอบรมใจการงานของใจต้องทำแบบนี้แล้วอบรมได้แล้วสบายครับมันจะมาชวนแล้เราทุกข์เราต้องไทุกข์เงาันมันมาชวนให้เรา โศบังคับไปแล้วโศกของมันโศกมันมันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะการอาชีพทุกข์เพราะไม่มีเงินมีทองทุกข์เพราะลูกหลานบ้านช่องทุกข์เพราะการงานอะไรต่างๆเรารู้เท่ารู้เรื่องของมันมันไม่ชวนอะไรกลุ้มใจเราไม่ต้องไปตามลูกมันก็เกิดมั้งเพราะลูกหลานมันก็เกิดเพราะหลานมันก็เหมือนกับเราเกิดเมื่อแกเจ็บตายเหมือนกัน งานแล้วก็มาหามันหมายจางหากมาทำก็เราเรามาหางานมาใส่เอนกันเลยได้ทํานะการงานมันไม่ใช่มันเรียกเราไปทําเราไปทํามันมันจางหากเราต้องการอย่างไดงานคันต้องการได้นั่นแหละทำมันไม่ยุ่ไปยุ่งกับมันจะไหมมันยุ่งมันวุ่นวายก็เห็นมันยุ่งมันวุ่นวายล้วเราหักไปทำจางหากเรามาแบกจางหาก ไม่ทันก็ไม่ได้ทนันมันกับพ่อมันทุกข์มาสิมายังเป็นอย่างนั้นเกิดมามันทุกข์มันก็ความีเองเมื่อเปนทุกข์ก็ทนทุกข์ไปตามเรื่องมันสิจะไมทุกข์ได้ยงไงทั้เกิดมาต้องการอยากทุกข์นี่ก็เศ้าทุกข์กันมาจนถึงที่สุดมันสิอย่าไปกลุ่มไอ้ใจเดือดร้อนอะไรกันใครจะไม่ทุกข์ในโลกน้แ ล, แล้วพุทธเจ้าตรัสแล้วบอกว่าพระเทศนาแล้วทุกทั้ง ในโลกอันนี้ไม่ได้ทุกเกิดขึ้นแลดับไปไม่มีอะไรหรอกนอกจะทุกเกิดขึ้นแะ้วดับไปโครงตร์ว่าอย่างนี้แต่เราไม่เชื่อเราเอาทุกมาเป็นสุขต้องไหนทุกมากๆอันน่้นเรา เ, าเป็นของดีสิ่งใดที่เป็นภาละมากๆอยากจะได้ภาระนะนั่นเรนเรียกว่าเป็นทุกไม่ได้จะอันตรธานาเป็นทุกแต่เราชอบทุก เมื่อทุกข์เอาสิทนสู้ต่อไปสิเราสมัครแล้วนี่นี่จริงว่าถ้าหากเรารู้เรื่องเขา้าใจนี่เราไม่ปล่อยตามใจตามหน้าเข้ามันทําไปเรื่องมันจะทำํำดูแต่สั้งขารร่างกายของเราเนี่ยนะมันทํางานอยู่ทุก้นทุกส่วนทุกนาทีวินาทีมันทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เกี่ยวข้ อ, ของกับมันมันก็ะทำอยู่ตามเรื่องของมันแล้วเรมยึดยุ่งอะไรกับมัน นั่นหน้าที่ของมันหน้าที่ของชีวิตของเราเกิดขึ้นมาจะต้องทําอาหารเรื่องทีจะต้องประกอบการงานแล้วก็ทําตามหน้าที่มันจะดีจะไปหาเรื่อง่อาไปยุ่งมเมื่อเราไม่ยุ่งก็ทําไปก็สักแต่ว่าทำมันก็สบายเพราะเรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าใจเมื่อเราอบรมอะไแล้วมันไม่ไม่มีอะไรมันมีแต่อันหนึ่งมันมีอันเดียวมันเป็นกลางที่มันวุ่นในใจเป็นกลางเราก็เทียบมันนั้นหยุดตลอดเวลา กนดใามันรู้เท่าเข้าใจอย่างนั้นอยู่ตอ่อเวลาเราก็ได้รับความสุขพุทธศาสนาสอนมาให้ถือำรำมาอธิบายเคยอธิบายเลยคสอนให้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อไปให้พ้นจากทุกทุกมีอยู่แต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วมันพ้นจากทุกคือเราไม่ทุกนี่จึงเรียกว่าจะรู้เรียกว่าปฏิบัติาศาสนาทูกหลัก แล้วเข้าถึงจุดหมายของที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ไม่ใช่เอาศาสนามาถือมาบูชามาตะกกระศาสนาไม่ใช่ของถือไม่ของบูชาหรอกสาในปฏิบัติพองค์ตรัสเทศนากกล้องเลยวะอาาวาาคาตาโรจะตถาคตาปฏิบัตนาประบอกอันจากเทศกลกล้องเลยเราทศานคดเป็นได้เพียงผู้บอกผู้สอนเท่านั้นแหละท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังปฏิบัติตามหากจะพ้นจากทุกข์หรอก นี่ท่านสอนของกล้องอยนี้แหละแต่เรามันทำไม่ได้เลยไปเอาศาสนาบูชาไปใช้เมื่อเอาศาสนาบูชาก็เลยขอความศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาอะไรอะไรทั้งหมดขอใศาสนาประสิทธิ์ที่อาจจะนั้นนี่มันเลยผิดหลักไปใช้เพราะฉะนั้นการอบรมกรรมฐานจึงเป็นการจําเป็นทางเราทําถูกหลักนี่ก็ได้ที่ว่าเรา ปฏิบัติลักศาสนาถูกต้องแล้วเราเข้าใจศาถนาถูกต้องดีงามถึงจะเป็นผลประโยชน์แก่เราพุทธศาสนาในกระโจนอย่าไปโทษพุทธศาสนาหาพุทธศาสนาอานวยความสุขประโยชน์ในกระโจนไม่ใช่อย่างนั้นจะให้ศ า, าสนาอานวยวุฒนะิผลในความสุขทุกสิ่งทุกประการไม่ได้หรอกไม่ชศ า, าสนาให้เจ้าศ า, าสนาพระเจ้านั้นเป็นศ า, าสนารับใช้คนทั้งโลกพระพุทเจ้ามาได้รับใช้ใครหรอก ตอนนี้ทุกคนพากัานอารมใจของตนคือผลใจกายว้ใจใจของตนให้พ้นเสียจากทุกข์ด้วยการเข้าไเห็นของจริงดังอธิบายแบบนี้เอ า, เอาละภาวนาคือการต่อสู้เราจะต้องต่อสู้กับข้าศึกสัตวรูของหัวใจคือความไม่สงบคือการสง่อส ง, อ, สงอะไรนิดๆหน่นนนนอยๆกัปรากฏขคือ ม, าม้ามดเวลาเราสงบลงแปนิดเดียวนั ทางห่างเราไม่ได้ทําความสงบคล้ายๆเราไม่ีอะไระเฉลยแท้ที่จริงมั น, นออมีเหมือนกันเลยแต่เราไม่ได้เข้าหาจุดนั้นเลยไม่เห็นปัวมันอากานคือไม่เห็นอาการที่วายะไรสักอย่างนี้พอเราเข้าถึงตัวนั้นนะเห็นอาการของใจจะผ่านนี่โอ้โหมันมากแล้จริงๆจัแล้วเราก็เลยเข้าใจออกมันมากมาหมายคืนหมายแล้วก็เลยเ<ม>บือ่อไม่เห็นใจ เป็นของมากแล้วก็เลยเบื่อเลยไม่ขี้เกียจเลยไม่อยากภาวนาปล่อยตามเรื่องจะดีกว่ามันไปอย่างนี้เลคนเอาเมื่อไม่เข้าใจคนคนเป็่จริงแล้ว เ, เห็นดีกว่าไม่เห็นแล้ว เ, เห็นใจนะั้นมีวิธีาร ท, ที่จะแก้ไขใจมีวิธีาร ท, ที่อะไรงับชำรักษ์เามไม่เห็นไปชำระกตรงไหนกันเขามไม่มีไปแก้ไขตรงไหนมันต้องมีสิมันผิดมันถูกแก้ไขทีนีมน้มันผิดมันผิดให้มันถูกอย่างนั้นยิงจะเรียกว่าคู่มีปัญญาและผู้มีความสามารถ เป็นเ้าเรียกผู้ฉลาดแล้วยังเรียกผู้แหลมลึกเพราะฉะนั้นนีว่วะในเวลาที่เรานั่งสมาธิอาจจเป็นยุ่งกระตากมาถึงมันเกิดขึ้นมาพูดอธิบายจับตัวใจให้มันได้ใจก่อนคือตัวกลางตัวเดิมพอมัได้ใจก่อนให้เห็นว่านะั่นเป็นอาการของตัวใจตัวเดิมแทบไม่มีดังใ ห, ให้อธิบายฝังแลว้วเรากั้นใจไม่มีไม่มีการส่งเฉยอยู่คนเดียวมิเตผมรู้มิเตโครู้รู้สึก หรือหากเราจะจับอันนี้ได้แล้วเราไม่ต้องปฏิกรรมพุทโธจับตัวกลางได้หระไม่ต้องปฏิกรรมพุทโธตัวกลางคือตัวนี้อันนั้นไม่ใช่ตัวกลางเราจับตัวนี้ได้แล้วกำหนดตัวนั้นเห็นแน่วลงไปเลยได้เหมือนกันพุทโธหรืออนาปาสติอะไรมารนาสติอะไรก็ตามนี่ยต้องการอยากจะจับตัวใจนั้นได้อย่างเดียวถ้าจับตัวนั้นได้แล้วมนั้นเรื่องทั้งหลายนั้นไม่ต้องไม่ไม่ได้เกี่ยว เพราอย่าไปท้อถอยถ้าหากเราไปท้อถอย <c oughs> เห็นมันยุ่งอะไรขี้เกียจหนื่อยเปรียแล้วออกจากคนนั้าสมาธิที่หลังก็เหมือนเก่าเงี้ยแนะเขไปถึงตอนนั้นเอาแล้วขี้เกียจอะเบือ่ออะไปถึงตอนนั้นอะขี้เกียจเบื่อแลอะเลยเป็นไอจีนแล้วเลยเป็นนิดใสถ้าหากเราเอาชนะมันสักครั้งหนึ่งละโอ้ยแค่นี้ไม่รู้หรอกของนิดเดี๋ยวกิวนมาดิ๋วเรงดีกว่า เทหลังในกล้าหาญเด็ดต่อสู้เลยนี่จึงว่าการภ า, น า, า, รารวานาคือการต่อสู้การภาวนาคือการไปจนขาดศึกประจานิษฐมันเป็นประับปรปรปักของใจอ่นะทำวัดภาวนากันเลยในความเป็นไปของการปฏิบัติที่ว่านี้เมื่อเรา ใช่อุบายปัญญาพิจรารณาเงียบภายโดยตนเองคือฝึกฝนอบรมใจนี่เรียกวกรรมฐานทำยังไงเราจะจะรักษาใจให้อยู่แล้วจะคุมใจให้อยู่มั่นคงแน่วแน่จนใช้ใจได้จะให้ใจใช้เราที่เราปฏิบัติฝึกฝนอบรมนี้ก็เรียกว่ากรรมฐานนั่นแหละไม่ใ่ไรอะ นีการที่เราอบรมนั้นจะมีหลายวิธีในเรื่องอบไอบริอบรมกรรมฐ า, านโบราณท่านจาแนกไว้ถึงสี่สิบอย่างอยวอนุสติสิบพุทธานุสติแลึกถึงคุณพระวิญญาติธมานุสิติแล้ลึกขึ้นคุณมาทำทั้งคานุสติลึกขึ้คุณมาสง่งศีลารณิติลึกขึ้นคุณสิทจิญาคานุสติลึกขึ้คุณ การลาเป็นตน้นถึงสี่สิบอย่างทั้งสี่สิบอย่างนี้ท่านจะแนกไว้เป็นหญยาเป็นละเอียดประเภทไหนหยาประเภทไหนละเอียดควรที่จะเลื่อนอยงังไงเท่าไงเหมาะสมจะจรินนิดใสของใครดอกใครท่านจะแน่ไว้ยเยอะแยะเพระนั้นเป็นเรื่องตารา สำหรับที่ท่านจำแนกไว้แต่ว่าถึงเรื่องแนวปฏิบัติข้อเท็ดจริงแล้วไม่ต้องไม่ต้องจำแนกว่าอนันต์ใหญเนียยเหมือนกันหมดเมื่อจิตรวมแล้วจะเป็นสมาธิในทำนองเดียวกันคือคณิกะเป็นครูหนึ่งข้าวหนึ่งแล้วก็เป็นอุปจาระ ค่อสงบลงไปมากขึ้นแต่ไามา่ถึงกับเต็มที่อัปปนาจิตแนวแนีน่จนถึงที่สุดคือปล่อยวางหมอย่างเดียวกันหากจะมีการคัดคาด้ า, าจจบนบอกว่าทําไมท่านอยากจะแนกไว้อย่างนั้นท่านกับคงจะได้ึกผลนรพ ล, ลมาแล้วก็บมั่งได้ผลประโยชน์อย่างนั้นเราท่านจะแนกไว้ก็บมั่งพรตธมาก็เลยอยากจะชักตัวอย่าง คือว่ า, าครั้งพุทธเจ้าของเรายัางทรงประชนชีพอยู่ฝึกฝนก็มาถามาเดีอดเลือกจะเป็นอนันหาหยามลเอียดแม่ไดเงี้ยเลือกแม้แต่เห็นดินดินดำดินแดงดินขาวที่หลุ่มที่ดอนเป็นหลุมเป็นบอ่อท่านกาให้มาพิจรารณา ไม่เห็นอยู่ในกรรมฐ า, านสี่สิบคือพิจารณาไงดินดำดินแดงดินขาวปฐวีคือแผ่นดินได้เกตห้าที่มีเตัว ต, วตนของเราส่วนไหนมันดำนันก่อนนั่นน่ะเหมือนกันดินภายนอกส่วนไหนมันขาวกันนั่นเหมือนกับดินภายนอกส่วนไหนมันแดงกั น, กนดินภายนอกที่มีเงือนตัวเรา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 ที่เป็นหลุมก็มีที่เป็นปอก็มีที่เป็นโพรงกบมีในดวงเราแม่แต่เพียงจะคอขึ้นมาแต่หายปลาลาดขึ้นมาก็ยังเป็นเป็นปอกเป็นโพรงอยู่แล้วดินภายนอกกับดินภายในเหมือนกันพระผู้มาพมิจารณาตามในที่โพรงเจ้าเทศนายาด้วยปล่อยวางอุปทานยึดมั่นสําคัญมาเป็นตนเป็นตันตวไป้ล เห็นเป็นดินแต่อธิบายฟังมาแล้วแพ่งพิจารณาเป็นธาตุนี่มันหยาบละเอียดอะไรครับมันละเอียดที่ความรู้ความเข้าใจชัดตามเป็นจริงเห็นแล้วปล่อยวางได้จึงเป็นของละเอียดถ้าปล่อยวางไม่ได้แล้วจะพิจารณาแยกแยกไปสักเท่าไหร่ก็เอาไปทุบมันเี่งไม่หลงปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันก็ไม่ละเอียดอยู่ดีนี่ตัวอย่างการพิจารณา ในที่ว่ากรรมฐานอย่างละเอียดไม่สำคัญสําคัญที่ผู้เราพิจาณาธรรมวิธีอันนี้เรียกว่าอธิบายถึงเรื่องวิธีเดินกรรมฐานวิธีที่เราปฏิบัติกรรมฐานคือเรารู้จักที่ตั้งคือตัวของเราและเรารู้จักผู้ที่จะ มาพิจารณากรรมฐานคือดําเนินกรรมฐานนะั้นได้เกิดดัวใจจับใจคือตัวกลางให้มันได้ซะก่อนแล้วเรายังค่อยจะรู้จักว่ากลางเข้าใจคือจิตจะเกจะสิ่มันอยู่ยากควบคุมในยากเมื่อเราจะควบคุมและพุกผลใจตรงนั้นให้มันเข้าถึงใจก็เราจะต้องยกออกกรรมฐานอนะันนั้นหนึ่งขึ้นมาพิจารณา ให้กิจแจมันจดจ้อ ง, งอยู่เฉพาะเรื่องนี่เรียก ว, วิธีดําเนินนี่วิธีดําเนินกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานนี่เลยนี่หลายไหนเหมือนกันหลายเรื่องหลายอย่างญาติบางคนมากําหนดพุทโธปินาพุทโธพุทโธก็สักแต่ว่าพุทโธแต่แม่คิดมันนึกอะไรนะเนี่ยพิจารณาได้มากมายแต่พุทโธพุทโธแล้วก็แล้วอันนี้นานเป็น บางคนพิจารณาพุทโธใจมาจดช่องมองอยู่เฉพาะพุทโธอันเดียให้จิตกระทบอยู่แค่พุทโธอันเดียเออนีค่อยดีขึ้นหน่อยหน่อยดีขึ้นมากๆทีเดียวแหละวจิตอยู่หรือจิตหนีจากนั้นมันจดจ่อเฉพาะนั้นหรือมันหนีจากนั้นเราก็รู้เดี๋ยวนี้เราต้องการคุมให้มันอยู่ในที่เดียวเพื่อมันอยู่ในอารมณ์เดียวจุดเดียวเมื่อหนีเราก็ดึงมันมาเมื่อมันอยู่เราก็รู้ว่ามันอยู่ เมื่อมันอยู่จิตมันก็จะค่อยอ่อนลงไปมันจะค่อยละเอียดลงไปอาลมมาจากภายกมันก็ถอนมดปล่อยวางหมดจนกระทั่งรั่ววูบเข้าไปหลั่ววูบเข้าไปแล้วก็เฉยนิ่งแบบนี้ดีดีขึ้นบ้างแล้วนะบางอย่างบางคนไม่เอาได้ละปล่อยวางมดเฉยเฉยอย่างที่เขาหัดอบรมกันเรื่อง ว่างความว่างกำหนดข้อหาความว่างและก็เฉยอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคือคำว่าความว่างอะไรที่นี้เนี่ยยังไม่ได้ถึงความว่างแต่ไปกรหนดความว่างนี่ว่าเดินลัดตัดไปหาความว่างเลยความว่างจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งแล้วก็จะกวดแหวนล่องรอยไปตามอากาศทุกทีเดีกวเลยมันยังไม่ดีเท่าไหร่ หาก็จะอยู่ด้วยความว่างจริงๆก็จะทื่อนานๆนะเขาไปถึงตอนแรกก็ทื่อใช่ไหมไม่มีปัญญาไม่รู้จักว่าจะไปหน้ามาหลังยังไงก็นันไปสักแล้วไปทื่อตอั้งนานขี้เกียจเบือ่อเลยไม่อยากทำคล้ายเรื่องฟังอบุบายอันเดียวกันนี่แหละแต่เวลาทําไปหลายเป็นหลายเรื่องหลายอย่างผู้ทีงจะเปลน ถ้าหากจะสรุปรวมใจความง่ายๆแล้วพอจะจำเอาได้ง่ายไปปฏิบัติมีสองอย่างอย่างหนึ่งนั้นต้องการให้สงบอย่างเดียวไม่ต้องคิด้ะไมากไว้อย่างหนึ่งนั้นมันสงบและจะต้องเข้าไปคิดคนถึงเรื่องของสงบไปดูอาการของความสงบมันให้รู้เรื่องว่ามันสงบได้จริงไหมมันสงบจากอะไร ทไมมันจะต้องมาสงบที่เรามาสงบนี้เราพิจารณาอะไรกําลังพิจารณาละ่อนอะไรไม่ยั่งค่อยมาสงบเลยตรงนี้ใหพิจารณาคิดคนหาเหตุผลของความสงบที่มันเข้าถึงความสงบนันที่คิดคนที่ว่าเนี่ยมันยังไม่สงบเต็มที่ที่ยังมีอุบายที่พอคิดคนได้ถ้าสงบเต็มที่หายวับพูดอะไรไม่ได้พิจารณาอะไรไม่ถูก ที่อธิบายฟังไว้จิตพักลึกเข้าถึงสมาธิไม่จะเรียกว่าปัญญาก็าใช่เรียกว่าเราสร้างพลังใจพ้องใจถ้า ม, มีพลังกล้าหาญต่อสู้ประสักจนลุกล่่งไปได้ไม่มีอะไรเลยได้แค่นั้นผลประโยชน์ในขณะนั้นเราพิจาไรณาได้ไม่ออกไม่ได้ไม่เขา้าไม่รู้เรื่องทั้งนันพิจาไรณาได้ไม่ได้นดั้น ถ้าหากเราสร้างพลังใจตรงนี้มีกําลังแล้วเวลามันถอดหมัยอย่างนั้นนะครับมันจะมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในหน่อยแต่เฉพาะในเรื่องอารมณ์ที่เราพิจารณาแล้วที่เรากำหนดมาแล้วที่เราค้นคว้า ม, มาแล้วที่เราชาระสัางมาแล้วเห็นเหตุเห็นผลในคุณเห่งโทษมันปล่อยวางอะไรต่ออะไรมาได้ทั้งมโมที่ยาอา มันหมายยัไงมันไปยังไงม่ยันค่อยไปทิ้งไปปล่อยไม่ยันไปวางทำไมยันแต่ก่อนไม่เห็นโทษเวลานี้ทำไมยังต้องเห็นโทษมันจะไปคิดคนจะเสียเปี่ยนแค่ไหนยวคิดคนหายเหตุผลในเรื่องนั้นตรงนี้จังเรียกว่าปัญญา